ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้เป็นธรรมที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นมาก่อนจึงไม่มีใครสามารถที่จะสอนจะบอกพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เห็นธรรมอันนี้ได้พระพุทธเจ้าเลยต้องค้นคว้าศึกษา ด้วยพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็ได้ส่งคนพบทำที่วิเศษทำที่จะทําให้พระ อ, องค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดธรรมเนจรที่ เราเรียกว่าการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ด้วยพระ อ, องค์เองอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระ อ, อรหันต์ผู้ตัดสรู้ผู้รู้ด้วยตนเองคือพระ อ, อริยาาสัจสี่นี่เองนี่คือธรรมที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นมาก่อน ไม่มีใครสามารถที่จะมาสอนมาบอกให้พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นได้พระพุทธเจ้าจึางต้องศึกษาค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้พบพระอริยสัจสี่ความจริงสี่ประการมีดังต่อไปนี้คือ ความจริงข้อที่หนึ่งอริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์กษัตริย์คือความทุกข์ความจริงข้อที่สองก็คือสมุทยัยหรือต้นเหตุของความทุกข์ความจริงข้อที่สามก็คือนิโรธการ หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วความจริงข้อที่สี่คือมรรคทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คืออริยสัจสี่ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทำสี่ข้อนี้เป็นธรรมที่ผู้รู้จำเป็นจะต้อง ปฏิบัติให้ได้ไม่ใช่รู้เฉยๆเพราะการรู้เฉยๆยังไม่สามารถทําให้เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อจึงมีกิจในพระอริยสัจสี่กิจที่ต้องทําเกี่ยวกับอริยสัจสี่ทั้งสี่ข้อนี้ กิจข้อที่หนึ่งก็คือทุกต้องกำหนดรู้ทุกก็คือต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาต้องรู้ว่าทุกคืออะไร 2. ข้อปฏิบัติข้อที่สองสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์ก็ต้องละต้องกำจัดให้หมดไปจากใจอริยสัจ ข้อที่สามคือกิจในอริยศัสตร์ข้อที่สามคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องทำให้แจ้งทำให้สำเร็จกิจข้อที่สี่ในอริยศัสตร์สี่ก็คือมรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์เพราะมรรคจะเป็นเหตุที่จะ นำไปสู่การละสมุทัยนำไปสู่การทำนิโรธให้แจ้งนั่นเองมักเป็นผู้ทำงานทำกิจทั้งสี่ประการคือกิจข้อที่หนึ่งมักจะเป็นผู้ศึกษาผู้ผู้รู้ว่าทุกข์คืออะไรและมักก็จะเป็นผู้รู้ว่า อะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์และจะต้องกำจัดความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์นี้อย่างไรมักจะเป็นผู้ที่จะทำให้นิโรธดการหลุดพ้นจากความทุกข์ปรากฏขึ้นมานี่คือกิจในอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงบำเพ็ญจนครบท้วนทุกประการทุกพระองค์ก็ได้ทรงกําหนดรู้รู้ว่าทุกข์ก็คือการเกิดนี่เองตราบใดมีการเกิดตราบนั้นจะต้องมีความทุกข์เพราะจะมีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันตามมานั่นเองและทรง คนพบว่าต้นเหตุของความของการมาเกิดต้นเหตุของความทุกษาเหตุของความทุกข์คือสมุ ท, ทยัยก็เกิดจากตัณหาทั้งสามคือการมักตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่น ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ทําให้ต้องมามีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้เมื่อมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีการมาเกิดมีร่างกายพอมีร่างกายก็จะมีความแก่ความเจ็บและความตาย ก็จะเกิดความทุกข์เพราะไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายไม่อยากจะพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงความอยากได้ของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก็ทำให้เรามาเกิดกันนั่นเองอยากได้ในลาบยศสนรเสรญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนินก้วกาย เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่ให้เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายไปจากความความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายความอยากเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจต้องกลับมาเกิด เมื่อกลับมาเกิดก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดความทุกข์ทุกข์เพราะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เสื่อมจากราบยศสรรเสริญอยากไม่พัดลาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงมีแต่อยากให้เจริญในราบยศสรรเสริญ อยากที่จะอยู่กับร่างกายไปนานๆานโดยที่ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายนี่คือสาเหตุของความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากความทุกข์เกิดจากการมาเกิดทุกข์ก็คือการเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกัน ยังต้องรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เพื่อเราจะได้เด็กเลี่ยงความทุกข์กันไม่เดินเข้าหาความทุกข์กันเหมือนกับที่เขามักจะมีป้ายบอกเวลาที่มีสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาจะมีป้ายมีกระโหลกศรีรษะกับกระดูกไขว้ไว้แล้วบอกว่าอันตรายห้ามเข้ามีลูกระเบิดฝังอยู่ อันนี้เป็นการรู้สถานที่ว่าเป็นสถานที่อันตรายสถานที่ไม่ปลอดภัยท่นใดการรู้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยสำหรับจิตใจอะไรที่เป็นอันตรายเป็นทุกข์ต่อจิตใจต้องกาหนดรู้ต้องศึกษา พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ทรงศึกษาเห็นว่าก็การเกิดนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิดทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ บานั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่เพราะจะต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์จากการพลัดพรากจากกันทีนี้ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องไปตัดต้นเหตุที่ทําให้มาเกิดเหมือนกับถ้าอยากจะดับไฟ ก็ต้องหยุดเชื้อเพลิงอย่าใส่เชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟต่อไปกองไฟถ้าไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีเชื้อไฟไฟก็จะหมดไปเองเชื้อไฟเชื้อของความทุกข์ที่ทำให้มีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดพรากจากกันก็คือ ความอยากสามประการนี้คือกามตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะนะอันนี้ต้องละต้องเลิกต้องไม่ให้หาความอยากจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะเช่นผู้ที่มาบวชเนี่ยผู้ที่ถือศีลแปดเรียกว่าเป็นผู้ออกจากกามตัญหาคำว่าออกจากกามตัญหาก็คือเนกขมะ ในคัมะก็คือการละการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเพราะการเสบนั้นทำให้ติดทำให้อยากเสบไปเรื่อยๆทำให้ต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นเองก็เลยต้องหยุดกามตันหาไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ละ ความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศเนี่ยเรียกว่าความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญและความอยากข้อที่สามก็วิภาวะตัณหา ความอยากไม่เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญนั่นเองความอยากจะมีลาบยศสรรเส ร, ริญไปนานๆไปไม่มีวันสิ้นสุดความอยากความประการนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าความจริงของโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเสื่อมจากลาบยศสรรเส ร, ริญคือต้องพัดพากจาก ลาบยศจารเสริญสุคนั่นเองเมื่อมีความอยากทั้งสามนี้ก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจต้องละตัณหาทั้งสามนี้ด้วยการเจริญมรคมร ก, ก็คืออะไรมร ก, ก็คือมรที่มีองค์แปดนี่เองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรแปล ว, ว่าความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้อง ความดาริที่ถูกต้องสำมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องสำมาสังกโปคือความดําริความคิดที่ถูกต้องสำมากรรมมันโตการกระทําที่ถูกต้องสำมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสำมาอาชิโวการมีอาชีพที่ถูกต้องสำมาวายาโม ความเพียนที่ถูกต้องส ม, มาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องส ม, มาสมาธิความตั้งมั่นของใจที่ถูกต้องนี่คือมรรคที่มีองแปดมีแปดประการด้วยกันเมื่อเราย่อลงมาก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญานี้เองปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโป ความเห็นชอบความคิดชอบศีลก็คือสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายสัมมาอาชีว์โวคือการกระทำชอบการกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องอยู่ในกรอบของศีลแล้การมีความเพียรชอบการมีละลึกชอบการมีสมาธิ การตั้งมั่นที่ชอบที่ถูกต้องก็เป็นองค์ของสมาธิองค์ประกอบของสมาธิผู้ที่ต้องการที่จะละตัณหาทั้งสามจำเป็นจะต้องมีมรรคก็คือมีศีลมีสมาธิและมีปัญญานั่นเองเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์ ก็จะสามารถละตัณหาทั้งสามได้ละกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถะละภาวะตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้ในลาบยศสรรเสริญและวิภาวะตัณหาความอยากไม่เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตาย ความอยากไม่พลาดพลาดจากของและบุคคลต่างๆถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถละตัณหาทั้งสามได้เมื่อละตัณหาตัณหาทั้งสามได้ก็จะทำให้นิโรธคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ปรากฏขึ้นมาทํานิโรธให้แจ้งทำการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมา งานทั้งสามนี้เกิดจากการเจริญมรรคเกิดจากการเจริญศีลสมาธิปัญญาพอมีศีลสมาธิปัญญาก็จะสามารถใช้ศีลสมาธิปัญญานี้กําหนดรู้ทุกข์ได้รู้ว่าทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันแล้วก็จะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือสมุชัย กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแล้วก็จะสามารถละต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็คือละสมุทัยละกามตัณหาละภาวะตัณหาละวิภวะตัณหาได้พอละตัณหาทั้งสามได้หมดแล้วนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะสมบูรณ์ครบถ้วนร0อยเอร์เซ็นไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการตรัดสู้และเรื่องของการบำเพ็ญภารกิจของอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทุกขที่ต้องกำหนดรู้ ได้กำหนดแล้วแล้วโดยที่ไม่มีใครมาสอนมาบอกรู้ได้ด้วยตนเองว่าต้องต้องรู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์ได้รู้แล้วสมุทัยที่ต้องละก็ได้ละแล้วท่งละกามตัฏหาภาวะาวัะวะหาวิภาวะวัฏหาละด้วยอะไรก็ละด้วยศีลสมาธิปัญญาก็คือมรที่ได้ทรง เจริญจนสมบูรณ์แล้วพอได้ละตัณหาทั้งสามแล้วนิโรธก็ทำให้แจ้งขึ้นมาการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานิโรธที่ต้องทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วโดยไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกมาก่อนมรรคที่ต้องเจริญให้สมบูรณ์ก็ได้เจริญแล้ว โดยที่ไม่มีใครได้ใครมาบอกใครมาสอนนี่คือเรื่องของการตัสเลืเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระอริย ส, สัจสและทรงค้นพบว่าจะต้องปฏิบัติ กับพระอริยสัจสี่ทั้งสี่ข้อนี้อย่างไรออแล้วเมื่อทรงรู้ว่าจะต้องปฏิบัติก็ได้ทรงปฏิบัติก็ได้ทรงปฏิบัติจนครบท่วนบริบูรณ์การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ปรากฏขึ้นมาออทุกต้องกาหนดรู้ต้องรู้ว่าทุกคืออะไรทุกก็คือการเกิดนี้เอง ตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่เพราะจะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดพรากจากกันตามมาทุกข์นี้เกิดจากอะไรการมาเกิดนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกินรด ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือต้นเหตุของการมาเกิดก็ต้องละต้นเหตุต้องกําจัดต้นเหตุสิ่งที่จะมาละต้นเหตุกำจัดต้นเหตุนี้ก็คือมรรคมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาผู้ที่จะละการมาตัณหาก็ต้องถือศีลแปด ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้ออันนี้เป็นศีลที่อยู่ในมรรคที่มีองค์แปดที่เรียกว่าสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโรละด้วยศีลละด้วยสมาธิจิตก็ต้องสงบปราศจากความคิดตรงแต่ง จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาในความอยากทั้งสามคือในทางกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานั่นเองจิตที่สงบก็เรียกว่าสัมมาสมาธิจิตที่ไม่คิดไปในทางตัณหาทั้งสามก็คือปัญญานั่นเองนี่คือมรรคที่ผู้ที่ต้องการที่จะ ปฏิบัติภารกิจในอริยสัจ ส, สี่ให้ครบถ้วนบริบูรณ์คือให้ได้ทำนิโรธให้ปรากฏขึ้นมาทำนิโรธคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาต้องใช้มรรคคือศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิมีปัญญาก็จะรู้ว่าทุกข์คือการเกิด จะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณห า, หาและจะละวิภวะละกามาตัณหาภาวตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เองแล้วก็จะทําให้นิโรธปรากฏขึ้นมาการหลุดพ้นจากความทุกข์ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏด้วย อำนาจของศีลสมาธิปัญญานี่เองดังนั้นอกิจที่สําคัญที่สุดในอริยสัจสี่ที่จําเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาถ้ายังไม่มีก็คือการเจริญมรรคนี่การเจริญมรรคให้สมบูรณ์ถ้าศีลยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องสร้างศีลให้สมบูรณ์ ถ้าสมาธิยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องสร้างสมาธิให้สมบูรณ์ถ้าปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็ต้องสร้างปัญญาให้สมบูรณ์ศีลก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปตลอดเวลาสมาธิก็จิตก็ต้องรวมเป็นหนึ่งปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามายปัญญาถึงจะสามารถละตัณหาทั้งสามได้ ละกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาถึงจะรู้ได้ว่าทุกนี้เกิดจากการมาเกิดมเมื่อไม่ต้องการมีความทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดการที่จะไม่มาเกิดก็ต้องละตัณหาที่เป็นต้นเหตุของการมาเกิดคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา เมื่อสามารถละทันหาทั้งสามได้ก็จะทำให้นิโรธการหลุดพ้นจากความทุกข์ปรากฏขึ้นมาแจ้งทำนิโรธให้แจ้งทำการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แจ้งก็ต้องทำด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เองนี่คือกิจสี่ประการในอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกพระองค์เองทรงศึกษาทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เองทรงรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรกับอริยสัจ ท, ทั้งสี่ข้อต้องรู้ต้องทาความเข้าใจว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันเหมือนกับเราต้องรู้ว่าสถานที่อันตรายอยู่ตรงไหน เพราะสถานที่อันตรายเราก็จะไม่่ายกันเช่นในยามค่าคืนเราจะไม่เดินเข้าไปในป่าตามลาพังเราจะไมะ่เดินเข้าไปในสถานที่มันมืดสถานที่ไม่สว่างเพราะเรารู้ว่าสถานที่เหล่านั้นมันอันตรายไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ในสถานที่มืดนั้นอาจจะมีโจรอาจจะมีสิงสาราสัตว์ มีภัยอะไรต่างๆมักจะอยู่ในที่มืดในที่ที่เรามองไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องรู้ว่าอะไรที่ทำที่เป็นทุกข์แก่จิตใจของเราสิ่งที่เป็นทุกข์แก่จิตใจของพวกเราก็คือการเกิดนี่เองพอเกิดมาแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเก็บความตายทุกข์กับการพัดพรากจากกันและ ต้นเหตุของความทุกข์ที่ทําให้เรามาเกิดก็คือการมตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาต้นเหตุที่ทําให้เราต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต้นเหตุของการที่ทําให้เราทุกข์กับการพัดพากจากกันก็คือความอยากไม่พัดพากจากกันนั่นเองแต่ความจริงของโลกนี้มันเป็นอย่างไร เราก็ต้องศึกษาให้เห็น ว, ว่าความจริงของโลกนี้ก็คือเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันไม่มีใครที่จะไปห้ามการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันได้เมื่อมาเกิดแล้วเมื่อมาเกิดแล้วทุกคนจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเจอกับการพัดพากจากกัน ถ้าเห็นความจริงว่าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ฝผนความจริงก็จะไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่อยากพัดภากจากกันได้เห็นด้วยอะไรก็เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสมาธิถ้าเห็นด้วยศีลสมาธิปัญญาก็จะสามารถละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้อยากไม่พัดพากจากกันได้ อย่างนั้นหัวใจของภารกิจในอริยสัจสี่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีมรรคก่อนต้องมีเครื่องมือต้องสร้างมรรคขึ้นมาต้องเจริญมรรคให้สมบูรณ์ศีลต้องสมบูรณ์ศีลต้องบริสุทธิ์ตลอดเวลาสมาธิก็จิตก็ต้องสงบตลอดเวลาปัญญาก็ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาต้องเห็นว่า อะไรเป็นทุกข์ตลอดเวลานละเห็นว่าความจริงเป็นอย่างไรความจริงของโลกที่เรามาเกิดมาอยู่นี้เป็นอย่างไรโลกที่เรามาเกิดนี้เป็นโลกของความทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มันต้องเป็นไปด้วยกันทุกคนนี่คือปัญญา ถ้าเห็นแล้วก็จะได้ไม่อยากจะกลับมาเกิดก็จะละกามตันหาไม่หาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปแล้วก็ไม่อยากที่จะละความอยากที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายละความอยากไม่พัดพลาดจากกันพอละความอยากเหล่านี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดภากจากกันแล้วพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปผู้ใดมีศีลสมาธิครบสมบูรณ์แล้วผู้นั้นจะสามารถทำกิจในอริยสัจ ท, ทั้งสามข้อได้คือรู้ทุกว่าคืออะไรรู้ว่าสมุทัยที่ตงละนั้นละอย่างไร รู้ว่าการทําให้มาร์คนีจิจเจการทําให้นิโรดนี้แจงให้ปรากฏขึ้นมานี้ทําอย่างไรถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็จะทําภารกิจทั้งหมดนี้ได้ดังนั้นสิ่งที่ผู้บําเพ็ญจําเป็นที่จะต้องเจริญให้มากก็คือมารคนี้เองมาร์กต้องเจริญให้มากเจริญให้สมบูรณ์ เพราะมรรคนี้จะเป็นตัวที่จะไปกาหนดทุกไปละสมุทยัยไปทำนิโรธให้แจ้งนั่นเองถ้าไม่มีมรรคก็จะไม่สามารถไปกาหนดรู้ทุกได้ไปทำไปละสมุทัยได้ไปทำนิโรธให้แจ้งได้นั่นเองผู้บาเพ็ญจึงต้องมาเจริญมรรคกันธรรมสอนของพระพุทธเจ้าจึงทุ่มเทไปที่ตรงจุด ของการเจริญมรรคนี่เองสอนให้เจริญมรรคให้ได้ก่อนเมื่อมีมรรคแล้วก็สอนให้มากําหนดรู้ทุกข์ว่าให้กําหนดรู้ทุกข์อย่างไรก็ให้รู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์แล้วเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ร่วงพ้นความการพัดพากจากกันไปไม่ได้ ต้องรู้สิ่งเหล่านี้รู้ให้ถึงใจรู้จนใจยอมรับกับความจริงอันนี้รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ก็ตัดต้นเหตุของการมาเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวตัณหารู้ว่าทุกข์เพราะความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ต้องละความอยากไม่อยากไ ม, ไม่ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่พัดภาคจากกันจะละได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ละนั่นเองเมื่อละได้นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นที่นิโรธก็แจ้งการทำให้นิโรธแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สมบูรณ์ก็ด้วยมรรคนี่ด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยการละตัณหาทั้งสาม ด้วยการกำหนดรู้ทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์รู้ว่าการดับการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้หลุดพ้นได้อย่างไรหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการละตัณหาเพราะตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทุกข์ก็เกิดจากการที่มาเกิดเกิดก็การเกิดก็เกิดจากการมี การว่าตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่เองนี่คือเรื่องของการตัดสินของพระพุทธเจ้าเอทรงรู้อริยสัจสี่ความจริงสี่ประการความจริงที่เป็นอะกาลิโกเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลาไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดของพระพุทธเจ้ารูปใดองค์ใดก็ตาม พระพุทธเจ้าทุกลูกทุกองค์ก็จะมาตัดสรุปพระอริยสัจสีนี้ด้วยกันทุกองค์มาค้นพบทุกขสมุทัยนิโรธมรรคไดมาปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่ทุกๆพระองค์เมื่อได้ปฏิบัติกิจในอริยาาสัจสี่ได้ครบสมบูรณ์แล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็จะนําเอาความจริงอันนี้สี่ประการนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไป กลายเป็นพระพุทธศาสน า, าขึ้นมาพระพุทธศาสน า, านี้เกิดได้จากการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเรู้พระอริยสัจสี่และได้ปฏิบัติกิจในอริอรยาาสัจสีได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วได้รับผลจากการบําเพ็ญกิจทั้งสี่ประการนี้แล้วคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว ก็ส่งนำมาประกาศให้แก่สัตว์โลกสั่งสอนสัตโลกต่อไปผู้ที่มีศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็ได้หลุดพ้นกลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่นําเอาความรู้อันนี้มาสืบทอดมาเผยแผ่ต่อจากพระพุทธเจ้าเ อ, อนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระอริยสัจสี 4, ก็มีผู้มาศึกษามา มาปฏิบัติมาบรรลุแล้วก็นาเอาอริยสัจสีนี้มาเผยแผ่สั่งสอนกันมาเป็นทอดๆมาจนถึงปัจจุบันนี้การปรากฏของพระพุทธศาสนานี้ปรากฏได้ด้วยการสืบทอดพระอริยสัจสด้วยการถ่ายทอดพระอริยสัจสี่ไม่ได้อยู่ด้วยการมาสร้างวัดวาอารามถ้ามีแต่การสร้างถาวรวัตถุ แต่ไม่มีการปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ศาสนาพุทธจะมหายไปนานแล้วเพราะบรรดาถาวรและวัตถุทั้งหลายมันก็ไม่ถาวรอยู่ได้ไม่กี่ร้อยปีมันก็พังไปหมดแต่เหตุที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ายังมีการเผยแผ่พระอริยสัจสี่ มีการศึกษามีการปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่กันมีการหลุดพ้นจากความทุกข์กันแล้วก็มีการมาประกาศเผยแผ่พระอริยสัจสี่ต่อกันต่อกันมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบนันนี้ก็ยังมีการปฏิบัติภารกิจของพระอริยสัจสี่อยู่มีการประกาศพระอริยสัจสี่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ ให้ได้รู้และให้ได้นำเอาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะเอาไปเผยเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปนี่แหละคือการเจริญของพระพุทธศาสนาเจริญด้วยการเผยแผ่พระอริยสัจสี่และการปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่ได้ครบสมบูรณ์ ไม่ได้อยู่ที่การมาสร้างถาวรวัตถุต่างๆที่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรมีวันที่จะต้องเสื่อมมีวันหมดไปแต่พระอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้านี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนี้เป็นอาการิโกไม่มีวันเสื่อมไปกับการกับเวลาตราบใดถ้ายังมีการเผยแผ่มีการศึกษา มีการปฏิบัติกิจของในกิจของอริยสัจสี่ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็จะมีอยู่ไปเรื่อยๆเอที่จะทําให้พุทธศาสนาเสื่อมหรือหมดไปก็อยู่ที่การไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่นั่นเองเมื่อไม่มีการบําเพ็ญจิตในอริยสัจสี่ก็จะไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่มีนิโรธเมื่อไม่มีการหลุดพ้นก็จะไม่มีการเผยแผ่วิธีการหลุดพ้นให้แก่ผู้ที่ไม่รู้เมื่อไม่มีการเผยแผ่ผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังก็จะไม่รู้เรื่องของพระอริยสัจสี่เมื่อไม่มีอริยสัจสี่ไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะ หยุดเอไม่เจริญะจะหยุดตรงที่ไม่ตรงที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่ก็ต้องรอให้มีผู้ที่สนใจมาศึกษามาค้นคว้าด้วยตนเองต่อไปในอนาคตหลังจากที่ไม่มีพระอริยสัจสี่เผยแผ่อยู่ในโลกนี้แล้วผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรา ที่เป็นเจ้าชายชิสิทธัตถะที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องศึกษาด้วยพระองค์เองเพราะไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้การปฏิบัติพระกิจของพระอริยสัตจสีว่าเป็นว่าเป็นอย่างไรก็ต้องค้นคว้าเอาเองอฉันใดหลังจากที่าศาสนาพุทธาศาสนาของพวกเรา ในวันนี้ที่ยังมีอยู่ในวันนี้ต่อไปเมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติเกินในอริยสัจสี่แล้วเรื่องของอริยสัจสี่ก็จะจางหายไปก็จะไม่มีใครรู้ว่าอริยสัจสี่นี้คืออะไรผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องไปค้นคว้าหาเอาเอง หลังจากที่พระพุทธเจ้าต้องค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองเพราะหลังจากไปศึกษากับใครแล้วก็ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องค้นคว้าเอาเองต่อไปาศาสนาพุทธก็จะเป็นอย่างนี้าศาสนาพุทธก็จะหายไปจากโลกนี้แล้วผู้ที่ต้องการมาบาเพ็ญมาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องหาอาริยสัจ ส, สีเอาเองไม่มีใครที่จะมาบอกมาสอนว่า อะไรคืออะไรอริยสัจสี่ที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็เป็นวาละของพระอริจจะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่คือที่เรียกว่าพระสีอานต่อไปพระสีอานก็จะต้องเป็นผู้ค้นหาอริยสัจสีด้วยพระองค์เองเพราะในยุคที่พระสีอานบําเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นนี้จะไม่มีพระอริยสัจสี หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าไม่มีใครนำเอามาเผยแผ่ปาริยสัจสี่นี้เป็นของอากาลิโกมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะมีผู้เห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นที่ไม่เห็นก็เพราะเหมือนกับถูกความมืดบอดกลบเอาไว้เหมือนกับสมบัติอันมีค่าที่ถูกดินฟ้าอากาศเช่นป่าไม้คุมเอาไว้ อย่างที่พวกเราคงได้ยินได้ฟังกันเรื่องของวัดอันใหญ่โตในอดีตที่หลังจากที่ถูกทอดทิ้งไปก็จะมีต้นไม้อะไรต่างๆมาปกมาคุมจนกระทั่งมองไม่เห็นแล้ววันดีคืนดีก็มีผู้ที่ไปไปเที่ยวในป่าไปค้นคว้าในป่าก็จะไปพบวัดที่ที่ร้างนี้ที่ถูกปกปิดด้วยต้นไม้จนมองไม่เห็นนี่ มาได้พบกับวัดวาอารามที่ยิ่งใหญ่เช่นปราสาทต่างๆหรือวัดในอดีตที่เมื่อก่อนไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่เพราะถูกต้นไม้อะไรต่างๆปกคลุมไว้หมดแล้ววันดีคืนดีก็มีคนไปคนพบเขาพระอริยสัจสีก็เป็นแบบนั้นต่อไปเมื่อไม่มีการ ศึกษาไม่มีการปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่ความมืดบอดความโง่โมหะอวิชชาก็จะมาคุมใจของสัตว์โลกทำให้สัตว์โลกทั้งหลายมองไม่เห็นอริยสัจสี่กันเพราะไม่ได้ยินได้ฟังกันการที่จะเห็นอริยสัจสีนี้ต้องเกิดจากการได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างวันนี้ถ้าญาติโยมไม่เคย มาฟังเทศฟังธรรมที่ก็จะไม่รู้จากอริยสัจสี่จะไม่รู้จากกิจในอริยสัจสี่ว่าเป็นอย่างไรแต่พอมาได้ฟังแล้วก็จะได้รู้จากอริยสัจสได้รู้จากกิจของพระอริยสัจสี่แล้วถ้านามาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้ายังมีการ สั่งสอนเผยแผ่อริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็ยังจะไม่หายไปจากโลกแต่ถ้าเมื่อเมื่อใดที่ไม่มีการเผยแผ่เพราะไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุแล้วก็ต่อไปพระอริยสัจสี่ก็จะหายไปถึงแม้จะมีอยู่ในหนังสือก็จะไม่รู้จักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ที่จะทำให้ได้รับผลจากพระอริยสัจสีได้นี่คือเรื่องของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนซึ่งต่อไปก็จะเป็นพระสีอา่านพระสีอ่านก็จะมาค้นพบพระอริยสัจสี่นี้เพราะในยุค ข, ของพระสีอ่านจะไม่มีใครรู้จักพระอริยสัจสี่กัน ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระสีอ่านที่จะมาบำเพ็ญมาศึกษามาค้นคว้ามาหาพระอริยสัจสีนี้ดังนั้นสิ่งที่พระสีอ่านได้ค้นคว้านี้ไม่ได้เป็นของใหม่เลยก็เป็นของที่เรามีเรารู้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เราโชคดีเรามีคนที่มาค้นคว้าหาให้เราแล้วคือพระพุทธเจ้าของพวกเราเราเพียงแต่ปฏิบัต กิจของพระ อ, อริยสัจ ส, สี่ให้สมบูรณ์เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ถ้ามาถึงยุคพระศรีอ่านนี้ไม่มีใครรู้แล้วต้องรอให้พระศรีอ่านคนเดียวที่มีความฉลาดพอที่จะค้นหาพระ อ, อริยสัจ ส, สี่นี้ได้พอพระ อ, องค์สองค้นพบแล้วพระ อ, องค์ก็จะนําเอามาปฏิบัติแล้วก็จะมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป แล้วก็จะเอาพระ อ, อริยสัจสี่นี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเหมือนกับพระพุทธเจ้าของพวกเราพระพุทธเจ้าของแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้เหมือนกันหมดเลยเป็นผู้ที่มาค้นพบพระอริยสัจสี่เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่ได้สมบูรณ์แล้วแล้วก็นำเอาพระ อ, อริยสัจสี่นี่มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นที่มีศรัทธาและน้อมนาเอาไปปฏิบัติได้ ก็ได้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาทําให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบทั้งสามองค์ขึ้นมาพอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่ามีพระพุทธศาสนามีการมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ก, กันสืบทอดกันไปเป็นยุคยุคจนกว่าจะหมดการสืบทอดแล้วพระพุทธศาสนาของยุคนั้นก็จะหมดไป แล้วก็จะว่างจากพุทธศาสนาไปเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าจะมีผู้ที่ปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมาค้นควา้ามาศึกษาและมาค้นพบพระอริยสัจสี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าจึงมีมากมายหลายพระองค์ไม่ได้มีเพียงพระองค์เดียว เพราะว่าผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกนี้มีมากแต่ผู้ที่มีความสามารถที่จะค้นพบได้ด้วยตนเองนั้นมีน้อยมากหาได้ยากนานๆจะมีสักองค์หนึ่งการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงเป็นช่วงห่างไกลกันมากเป็นกลับเป็นกันพวกที่มีปัญญาน้อยที่ไม่สามารถที่จะค้นหาอริยสัจสีได้ด้วยตนเอง ก็ต้องรอให้คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถค้นหาได้รอให้ท่านเป็นผู้หาแล้วมาบอกอีกทีหนึ่งมาสอนอีกทีหนึ่งผู้ที่มีคนมาสอนมาบอกนี้ก็จะสามารถหลุดพ้นได้อย่างง่ายได้เป็นเหมือนกับคนที่มีคนนําทางคนที่มีคนนําทางกับคนที่ไม่มีคนนําทางนี้มีความยากในการเดินทางต่างกัน คนที่ไม่มีคนนำทางนี้ต้องคลำทางไปเหมือนคนตาบอดจะถึงเมื่อไหร่ก็ไม่มไม่มีใครรู้เพราะอาจจะคลำไปในทางที่ผิดก็ได้ก็าอาจจะไปเจอถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องเสียเวลามากต้องลำบากมากแต่พอมีผู้ที่รู้ทางแล้วมานาพาคนที่ไม่รู้ทางไปก็สามารถไปได้อย่างรวดเร็วนะพระพุทธเจ้าต้องบาเพ็ญ ต้องปฏิบัติเป็นเวลาหลายกับหลายกันด้วยกันกว่าจะได้มาพบกับพระอริยสัจสี่แต่พอพระ อ, องค์ได้ส่งค้นพบอริยสัจสีแล้วมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สาวกแก่ผู้ที่มีความสนใจผู้ที่มีความสนใจก็สามารถปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสีได้บางท่านก็ภายในเจ็ดวันบางท่านก็ภายในเจ็ดเดือนบางท่านก็ภายในเจ็ดปี หรือบางท่านพอได้ยินได้ฟังก็ปฏิบัติได้เลยในช่วงยุคแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจ ส, สีผู้ที่มีความพร้อมก็บรรลุในขณะที่ฟังทำได้เลยขณะฟังไปก็ปฏิบัติภารกิจของพุทธของอริยสัจ ส, สี่ไปควบคู่ไปพร้อมๆกันเพราะท่านที่ฟังเหล่านี้ท่านมีมรรคอยู่แล้วมีศีลมีสมาธิอยู่แล้วขาดแต่ปัญญา พอพระพุทธเจ้าเติมปัญญาให้ก็สามารถที่จะดุดพ้นทำนิโรธให้แจ้งได้ทันทีทันใดเลยนี่คือเรื่องของอริยสัจสี่ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุป ด, ด้วยพระองค์เองและกิจในพระอริยสัจสี่ที่พูดที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติก็คือต้องเจริญมากให้มากเจริญมากให้สมบูรณ์ เมื่อมีมรรคที่สมบูรณ์แล้วก็จะสามารถไปกาหนดรู้ทุกข์ได้ไปละสมุทัยได้ไปทำนิโรธให้แจ้งได้นั่นเองนี่คือเรื่องของพวกเราหน้าที่ของพวกเราก็อยู่ที่การเจริญมรรคนี้เองเจริญศีลสมาธิและปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เราก็จะรู้ว่าอะไรต้นเป็ น, ปนต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ เราก็จะได้หลีกเลี่ยงทุกข์เราก็จะได้ละทำลายต้นเหตุของความทุกข์พอเราได้ละได้ทำลายต้นเหตุของความทุกข์เราก็จะทำให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ปรากฏขึ้นมานี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้มาฟังเรื่องพระ อ, อริยสัจสี่มาฟังเรื่องกิจไนตอริยสัจสี่ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องนำเอาไปทําต่อไปก็คือต้องนําเอาไปปฏิบัติไปเจริญมากให้มาเจริญศีลสมาธิและปัญญาแล้วท่านจะได้มีเครื่องมือที่จะมารู้ว่าอะไรคือความทุกข์เมื่อรู้อะไรคือความทุกข์ก็หลีกเลี่ยงเมื่อรู้ว่าการเกิดเป็นความทุกข์ก็อย่ามาเกิดแล้วรู้ว่าการที่จะทํามาให้เหตุที่จะทํามาให้มาเกิดคืออะไรก็ละเหตุนั้นไป เหตุที่จะทำให้มาเกิดก็คือการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอละตัณหาทั้งสามนี้ได้การเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันก็จะไม่มีอีกต่อไปทุกข์ก็จะไม่มีต่อผู้ไม่เกิดดังนี้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้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 ระโสยะาสพีติโยวิวาจาัตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภาวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาธานาสิฤณาณิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขัง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 ดังนั้นถ้าอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ผู้ที่ถามทางบ้านให้พิธีกรถามแทนให้คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งระหว่างที่หนูเดินจงกรมโดยควบคุมจิตให้จดจ่ออยู่กับพุโทโธเวลามีความคิดที่ก็พยายามดึงกลับมาอยู่กับพุโทโธ จนรู้สึกว่าจิตสงบแบบควบคุมความคิดได้สักพักหนูก็แวบคิดถึงคนที่เคยมีอคติมีเรื่องบาดหมางใจกันแต่ใจหนูตอนนั้นมันรู้สึกให้อภัยและเมตตาเขาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนช่วงนั้นถ้าเขามาว่ามาทำร้ายก็คงจะไม่โกรธแต่พอสักพักก็กลับมาเป็นปกติ เพียงแต่ความรู้สึกอาคติความรู้ที่ไม่ชอบมันหายไปมีแต่ความเฉยเฉยแล้วพอต้องไปเผชิญหน้ากับเขาคนนั้นจริงๆใจมันก็เฉยได้ทั้งที่เมื่อก่อนมีความรู้สึกไม่อยากเจออาการแบบนี้แสดงว่าใจได้ปล่อยวางคนคนนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเราไม่โกรธเขาเราก็ปล่อยวางเขาได้จะปล่อยไนานเท่าไหร่ก็ต้องคอยดูต่อไป เขาหน้าเขาทำอะไรกับเราเราจะโกรธเขาหรือไม่โกรธเขาถ้าโกรธเราก็หยุดเขาหยุดให้ได้ถ้าหยุดได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ต้องพยายามหยุดให้ได้ข้อที่สองเมื่อก่อนหนูก็เคยมีความรู้สึกไม่ชอบการกระทำและคำพูดของพี่อีกคนพอเขาพูดหรือทำอะไรก็รู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมาทันที และก็รู้สึกว่าใจมันทุกข์มันไม่สบายหนูก็ใช้วิธีพยายามทำใจให้นิ่งควบคุมความคิดหรือคิดว่าเดี๋ยวก็ตายจากกันคาพูดและการกระทําของเขาที่เราไม่ชอบมันผ่านไปแล้วเราเอาที่เขามาเราเองที่เอาเขามาคิดซ้ำทำให้ใจทุกข์ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันมีอาการเหมือนข้อแรกคือ จูจๆก็รู้สึกเมตตาพี่คนนั้นอย่างบอกไม่ถูกแล้วความรู้สึกอคติมันก็หายไปจากนั้นพอเขาพูดหรือทำอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยมีแต่ความรู้สึกเฉยๆหนูจึงสงสัยว่าหนูยังไม่สามารถทําสมาธิไปถึงขั้นอั ป, ป, น, าาอ ป, ปนาสมาธิได้เลยแต่ทำไมหนูถึงสามารถปล่อยวางจากสิ่งที่มีปัญหากับใจหนูได้ หรือเป็นเพราะว่าระดับความยึดมั่นถือมั่นไม่มากเหมือนการยึดมั่นในร่างกายจึงวางได้ง่ายคะ่ะอเราไม่ต้องไปกังวลกับ เ, เรื่องที่เราได้อ่านได้ยินได้ฟังมามากเกินไปให้เราดูเรื่องที่เกิดจากการปฏิบัติของเราก็แล้วกันถ้าเราละความทุกข์ได้ละความโกรธได้ก็ถือว่าใช้ได้คาถามจากคุณธนิต ใจผมมันติดขัดเรื่องทางโลกมันภาวนาไม่ได้ดีเลยคอยแต่สับสนตลอดผมยังแก้ไม่ถูกเลยครับขอพระอาจารย์ชี้แนะหน่อยครับก็ต้องพยายามค่อยๆแก้ไปต้องสร้างเครื่องมือที่จะมาแก้ก็คือสติสมาธิและปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้หมดไปได้ ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีศีลก็จะไม่มีวันที่จะแก้ได้คำถามจากคุณต้นสนิทวงการทำบุญในการทำทานหรือทำความดีพอจะเข้าใจได้แต่การนั่งสมาธิภาวนาอยู่กับจิตจะเกิดบุญจากไหนครับเกิดจากการที่เราไม่เอาของของแหลมของคมมา ทิ่มมาแทงใจเรานั่นเองเวลาเราไม่นั่งสมาธิใจไม่สงบความคิดของเรานี้จะเป็นเหมือนหอกเหมือนของของของแหลมของคมที่คอยทิ่มแทงใจเราใจที่เราไม่สบายที่ทุกข์ที่วุ่นวายกันก็เพราะเกิดจากความคิดของเราเองคำถามจากคุณเคชองระหว่างหลังจากที่ทำสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว กับการทำบุญใส่บาตรบริจาคเงินแล้วอุทิศให้กับผู้ที่มีชีวิตยอยู่และล่วงลับไปแล้วการทำอย่างไหนจะส่งบุญให้ได้มากกว่ากันคะบุญที่จะส่งไปนี่ต้องส่งให้คนตายเท่านั้นคนเป็นนี่ส่งไม่ได้คนเป็นก็ต้องเอาของเอาเงินไปให้เขาเลยส่วนคนตายก็ต้องผ่านเอาไปเปลี่ยนเป็นบุญเัมืนกับเวลาเราจะส่งเงินไปทางไกล แล้วก็ไปที่ไปสนีแล้วก็ไปส่งเป็นธนานัตไปส่งตัวเงินไปไม่ได้มันหายไปมันอาจจะหายได้ฉัใดบุญสำหรับผู้ตายนี้ก็ส่งไปด้วยการเอาเงินทองไปทำบุญทำที่ไหนก็ได้ทำแล้วก็เป็นบุญบุญแล้วก็สามารถส่งให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปได้แต่สำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องเอาเงินไปให้เขาเลย เขาจะได้ใช้เงินนั้นได้หมดแล้ ว, ลวในนี้ไม่มีใครอยากจะถามเลยการนมัมมสการพระอาจารย์นะคะพอดีตะกี้คำถามที่พระอาจารย์ตอบว่าถ้าบุญอาเมือคนตายที่เรา สมมติว่า เ, าเอาเงินมาถวายให้เงี้ยกรณีนีพ้พอดีพ่อของพี่เขาวันเนี้ยค่ะท่านกําลังจะสิ้นลมพวกหนูก็เลยมาทําบุญอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็ไม่ทราบว่าท่านจะได้รับหรือเปล่าแต่พวกหนูก็บอกท่านแล้วก็ส่งไปแจ้งท่านแต่ท่านมีสติที่จะสาธุได้อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือบุญนี่ต้องเกิดจากเป็นเงินของท่านเองเป็นความดําเละของท่านเอง เช่นท่านบอกว่าเอาเงินของเรานี่ไปทําบุญให้หน่อยถ้าอย่างนี้ท่านก็จะได้บุญแต่ถ้าเป็นเงินของเราแล้วเราไปทําแล้วเราไปบอกท่านถ้าท่านสาธุท่านก็จะได้บุญอีกแบบหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนากับการทําบุญของเราซึ่งมันเบากว่าน้อยกว่าบุญที่เกิดจากการทําบุญด้วยตนเอง พอดีนี้เมื่อวานพวกหนูไปเยี่ยมท่านแล้วก็บอกท่านเรากับการที่พวกหนูมาทําบุญแบบนี้กับนั่งเฝ้าท่านอันไหนที่ท่านจะได้รับมากกว่าเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าถ้าเรานั่งแล้วทําให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็จะได้บุญมากกว่าจากการที่เรามานั่งฟังธรรมที่นี่ถ้าเราต้องการที่จะให้ท่านได้บุญบุญที่ท่านต้องการตอนนี้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ของความแก่ของความเจ็บของความตายนี่ถ้าเรามีธรรมแล้วไปนั่งข้างๆเตียงแล้วก็คุยสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าไปสอนพระราชบิดา7เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตสอนจนท่านบรรลุเป็นพระอารหันต์ขึ้นมา แต่แต่หนูก็บอกท่านอยู่ว่าพ่อกายนี้มันไม่ใช่ของเรานะให้พ่อพุทธโธพุทธโธ ท, ท่านก็พยักหน้ารับแต่สติท่านดีมากนะเจ้าค่ะเราจะรู้ว่าท่านได้รับประโยชน์หรือไม่ก็ถ้าท่านไม่พูดเราก็คงไม่รู้หรือว่าถ้าท่านสงบนิ่งก็อาจจะได้รับประโยชน์ถ้าเพราะว่าถ้าบางทีไม่สงบนิ่งท่านอาจจะเพิไปก็ได้อาจจะหลงก็ได้อาจจะ มีอาการาที่แสดงความทุกข์ออกมาให้เราเห็นก็ได้แต่ถ้าเราให้ธรรมะกับท่านแล้วท่านน้อมน ำ, นำเอาไปปฏิบัติได้ท่านก็จะตั้งอยู่ในความสงบก็ถือว่าท่านได้บุญได้ประโยชน์ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากาผู้ปฏิบัติธรรมะในสวนนะครับข้อที่หนึ่ง ลูกเพิ่งมาปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เป็นเวลาเจ็ดวันยังไม่เคยรู้เรื่องการปฏิบัติเลยเจ้าค่ะลูกขอแนวทางวิธีการปฏิบัติก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลตอนนี้ก็รักษาศีลแปดไปสมาธิก็พยายามนั่งบ่อยๆวิธีนั่งให้สงบก็ต้องฝึกสติก่อน ต้องมีสติควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปเมื่อจิตอยู่กับพุทโธจิตก็จะนิ่งเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ถ้าไม่มีสติจิตก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ นั่งไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ไม่มีสมาธิไม่ได้สมาธิอย่างนั้นต้องการมีความสุขจากการนั่งสมาธิต้องทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆการที่จะไม่คิดได้ก็ต้องห้ามไว้ก่อนที่จะมานั่งต้องฝึกสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี่อย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไป และอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็เฝ้าดูการทำการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตถ้าทำอย่างนี้ได้เวลานั่งเฉยๆหลับตาดูลมหรือพุทโธไปมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็จะได้ ผลจากการนั่งสมาธิก็คือได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญสุขแล้วพอจิตสงบก็อย่าไปทำอะไรปล่อยให้มันสงบให้นอนที่สุดยังไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาคาว่าพอได้สงบแล้วไปเจริญปัญญานี่หมายถึงว่าหลังจากที่ออกจากความสงบมาแล้วมีความสงบเป็นพื้นฐานของใจแล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาทางปัญญาได้ แต่ไม่ใช่หมายความว่าพอจิตสงบปั๊บก็ให้พิจารณาเลยอันนั้นยังไม่ถึงเวลาเพราะจิตเพิ่งสงบแป๊บเดียวยังไม่มีกำลังพอต้องให้สงบนานๆพอสงบนานๆจะมีอุเบกขามากคือจะไม่มีอคติทั้งสี่ไม่มีรักชังกลัวหลงเวลาไปสัมผัสไปคิดถึงเรื่องอะไรก็จะไม่มีความรักชังกลัวหลงก็จะพิจารณาไปตามความเป็นจริงได้ เห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังว่าเป็นอนิจจังเห็นทุกขังว่าเป็นทุกขังเห็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาเมื่อเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะละความอยากได้สิ่งต่างๆได้เมื่อละได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นแรกต้องรักษาศิลนแปดให้ให้บริสุทธิ์แล้วขั้นที่สองให้มันเจริญสติอยู่เรื่อยๆ อย่าไปคุกคีกันอย่าไปนั่งคุยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างควบคุมความคิดของตนแล้วก็สลับกับการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เจริญสติพอเดินเมื่อยก็ไปนั่งนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็ออกมาเจริญสติต่อขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องไปทางปัญญาฝึกสติกับสมาธิให้ชนานาญให้เก่งก่อนถ้าเราเก่งทางสมาธิทาง ทางสติแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเราค่อยออกมาทางปัญญาต่อไปทางปัญญาเราก็มาคิดดูอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเห็นว่าสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะละความอยากต่างๆได้พอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความทุกข์เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติ ข้อที่สองลูกตั้งใจมาปฏิบัติบวชเนคขมมะเป็นระยะเวลานานๆถ้าในภาคนักบวชหรือนักปฏิบัติลูกอยากทราบว่าถ้าเรามีงานผ้าป่างานบุญต่างๆควรจะไปไหมหรือควรปฏิบัติต่อดีเจ้าคะถ้าถ้าอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วก็ควรจะตัดเรื่องงานบุญไปให้หมดเนี่ยไม่ถ้าอยากจะร่วมบุญก็ทําฝากเงินเข้าไปแต่ถ้าถ้าอยากจะ ทำให้มันเสร็จสิ้นไปครั้งเดียวก็มีเท่าไหร่ก็ทําให้หมดไปหนเดียวเลยอจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องทําบุญอีกต่อไปเหมือนพวกที่เข้ามาบวชนี้เขาก็สละเงินทองไปหมดเขาไม่มีเงินมาทําบุญอีกแล้วเพราะเงินเขาไม่มีติดตัวมาพวกนักบวชนี้เขาไม่ได้เป็นนักบุญแล้วเขาเป็นนักปฏิบัติถ้าไปทําทั้งสองอย่างมันจะชนกันมันจะดึงกันไปดึงกันมาเป็นนักบวชนี้จะดึงเข้าข้างในเป็นนักบุญจะดึงออกไปข้างนอก ดึงออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าได้ดังนั้นถ้าเราออกบาเพ็ญเนคขมะออกบวชแล้วเราก็ตัดเรื่องเงินเรื่องเรื่องงานทาบุญต่างๆไปให้ไปปีกเว้ยให้อยู่คนเดียวให้เจริญสตินั่งสมาธิต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุจนกว่าจะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วทีนี้จะไปทาบุญที่ไหนก็ไปทาได้ไม่มีปัญหาอะไร ข้อที่สามมีคนเคยกล่าวว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์สามารถจะบรรลุธรรมได้จริงไหมเจ้าคะย้นวัวควายมันก็บรรลุกันไปหมดแล้วแม่วัวมันก็ไม่กินเนื้อสัตว์มันก็กินผักกินหญ้าแม่ไม่น่าถามปัญหานี้เลยคำถามข้อต่อไปจากคุณชัยพิมล น, นะครับเวลาเจริญอนาณาปณะสติมักมีอาการลมตีขึ้นและเลอเป็นระยะยิ่งนั่งนานหรือนั่งบ่อย ก็จะยิ่งมีอาการเจ้าค่ะแต่เวลาใช้ชีวิตปกติไม่มีอาการแบบนี้เลยเกิดจากสาเหตุอะไรคะเกิดจากกิเลสเนี่ยกิเลสมันมักจะต่อต้อตานเขาเรียกว่ากิเลสสมานพอจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่มีปัญหาต่างๆมากมายอึดตรงอึดตรงนั้นอัดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้น้ำลายเต็มปกเต็มปากอะไรต่างๆมาหมดเลยเวลานั่งดูทีวีไม่รู้หายไปไหนหมดเลยเอ่า คำถามจากคุณละเวงนะครับการเห็นมรรคข้อแรกสัมมาทิฐิคือการเห็นแจ้งในกฎไตลักของสรรพสิ่งในโลกรวมทั้งกายและใจใช่ไหมคะอะก็เห็นอริยสัจสี่เห็นใจลักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความเห็นที่สูงสุดคำถามข้อต่อไปจากคุณพัชรีนะครับธรรมะแห่งการพ้นทุกข์ ทุกจากการเจ็บไข้ทุกจากการพัดภาคเราต้องพิจารณาสิ่งไหนเป็นอย่างแรกเจ้าคะก็คือการเกิดไงถ้าไม่เกิดก็ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีการพัดภาคดังนั้นถ้าไม่ต้องการจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีการพัดภาคก็ต้องไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็ต้องรู้ว่าอะไรทามาให้ให้ทํามาให้ทําให้เราเกิดเนย สิ่งที่ทำให้เราเกิดก็คือตัณหาทั้งสามกรมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ต้องไปละสามตัวนี้ละกรมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ก็ไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีการพลาดพลาคจากกันจะละตัณหาทั้งสามได้ก็ต้องมีเครื่องมือมีอาวุธเหมือนเป็นตำรวจจะไปฆ่าผู้ร้ายก็ต้องมีปืนไป ถ้าไปตัวเปล่าๆก็โดนผู้ร้ายยิงตายตำรวจถึงมักจะต้องพกอาวุธเวลาไปต่อสู้กับผู้ร้ายฉันใดการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาก็เป็นผู้ร้ายของใจตำรวจของใจก็คือมักคือศีลสมาธิปัญญาตำรวจก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นอาวุธถึงจะสามารถที่จะไปฆ่าผู้ร้ายได้คำถาม จะคุณสายน้ำนะครับผมนั่งสมาธิแล้วไม่เกิดความสงบเท่าไหร่นั่งเต็มที่ได้หนึ่งชั่วโมงก็จะนั่งต่อไม่ได้เกิดจากกําลังเรายังไม่พอใช่ไหมครับถูกต้องเราต้องเจริญสติให้มากมากแล้วนั่งให้บ่อยๆยิ่งนั่งมากยิ่งถ้าไหลต่อไปก็ย่นั่งได้นานขึ้นไปเรื่อยๆคําถามจ้าคุณจีราลุธนะครับระหว่างทํางานสวดอิติปิโสไปด้วย เป็นการทำสมาธิด้วยไหมคะเป็นการเจริญสติคือเราไม่ปล่อยให้ใจไปคิดด้วยเปื่อยให้อยู่กับงานหรือ อ, อยู่กับการสวดไปใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านแต่ไม่ถึงกับสงบไม่ถึงกับรวมไม่ฟุ้งซ่านใจเป็นปกติเย็นสบายถ้าจะให้สงบให้รวมอย่างเต็มที่ต้องนั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไร แล้วก็สวดไปหรือดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เป็นสมาธิได้คำถามจากดอร์พิสิทธ์นะครับหากความรับผิดชอบในทางโลกขัดกับทางสายกลางและการปล่อยวางในทางธรรมเราควรพิจารณาเลือกปฏิบัติอย่างไรดีก็แล้วอย่าเราว่าเราต้องการไปทางธรรมหรือไปทางโลกถ้าเราไปทางธรรมล้วก็ต้องปล่อยทางโลกไป ถ้าเราต้องการไปทางโลกเราก็ต้องปล่อยทางธรรมไปคำถามจากคุณลักสุขภาพนะครับหนูขอเรียนถามเมื่อขณะนั่งสมาธิไม่ได้พิจารณาทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วออกมาพิจารณาในขณะชีวิตประจำวันหรือพิจารณากายของตนและผู้อื่นแล้วแต่ทาอันใดปรากฏแต่ก็หมั่นพิจารณาเนือง ทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่คะถ้าเราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราออกจากสมาธิแล้วเราสามารถจเจริญปัญญาได้ตลอดเวลาพิจารณาร่างกายของเราหรือพิจารณาร่างกายของคนอื่นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาให้มากก็คือสิ่งที่เรารักเราชอบเช่นร่างกายของเราเรื่องร่างกายของคนที่เรารักเราชอบเพราะเราจะทุกเวลาที่เขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมา ร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รักไม่ชอบไม่ต้องไปเสียเวลาพิจารณาเพราะว่ามันไม่มีผลกระทบกับจิตใจของเราไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามดังนั้นคนจะพิจารณาเรื่องของคนที่เรารักเราชอบเช่นร่างกายของเราเองร่างกายของคนที่เรารักเราชอบว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะได้ไม่เสียหลัก เราจะได้ไม่เสียใจเราจะรู้สึกว่าเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดาคำถามจะคุณโมนีนะครับหนูชอบให้อาหารหมาจรจัดเป็นประจำพอวันไหนไม่ได้ให้หรือติดธุระที่ไม่สามารถให้ได้ก็มาคิดวิตกตลอดว่ามันจะมีกินไหมเพรถามตอหรือเปล่าหมดแล้วครับอาจารย์เพราะเรามีแต่เมตตาไม่มีอุเบกขา เราต้องมีทั้งอุเบกขาด้วยมีทั้งเมตตาด้วยเวลาเราเมตตาได้ก็เมตตาไปเวลาเราเมตตาไม่ได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาไม่เะนั้นเราจะทุกข์เพราะอยากจะช่วยเหลือเขาแต่เราไม่มีเวลาที่จะทำให้เขาเราก็ทุกข์ไปเปล่าๆนั้นพอถึงเวลาที่เราไม่สามารถให้เมตตาหรือให้ความการุณาต่อผู้อื่นได้เราก็ต้องมีอุเบกขาว่าเป็นกรรมของเขาไป คำถามจากคุณจงสินีนะครับกินเหล้าผิดศีลห้าแล้วจะตกนรกไหมคะกินเหล้านี่มันยังไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้ไปอบายมันเป็นเหมือนตัวที่จะชักนําให้ไปอบายคือคนที่กินเหล้าแล้วมักจะขาดสติไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับห้ามปรามจิตใจไม่ให้ไปทําบาปได้นะั้นถ้าไม่อยากจะทําบาปก็อย่าไปดื่มสุรา ถ้าะถ้าดื่มสุาแล้วมันอาจจะทําอาจจะยับยั้งความคิดที่จะไปทําบาปไม่ได้คนที่ไม่ดื่มนี่จะมีกําลังยับยั้งได้ดีกว่าคนที่ดื่มถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับรถที่เบรกดีกับรถที่เบรกไม่ดีถ้าเรารู้ว่าเบรกเราไม่ดีเรายัางจะ ก, กล้าขับรถออกไปข้างนอกหรือเปล่าเราก็ต้องไปทําเบรกให้มันดีก่อนพอเบรกดีแล้วเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถหยุดรถของเราได้ ทุกเวลาที่เราต้องการเราค่อยขับรถไปการดื่มสุราก็เหมือนกับการทำให้เบรกมันไม่ดีถึงเวลาจะเบรกก็จะเบรกไม่ได้ก็จะต้องไปทำบาปเมื่อทำบาปแล้วนั่นแหะถึงจะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปอาบายหรือไปนรกต่อไปท่านท่านถึงห้ามไม่ให้ดื่มสุราหรืออบายามุกต่างๆเพราะทั้งการดื่มสุราและอบายามุกนี้จะเป็นเหตุที่จะทาให้ไปทาบาปต่อไปนั่นเอง คำว่าอบายยมุกเนี่ยมุกก็คือประตูทางเข้าอบายก็ค <the> hmm <ma iden> ือท okay. ี hago, ่ไปของผู้ที่ทำบาปผู้ที่เสพอบายยมุกก็เหมือนกับกำลังยืนอยู่ที่ปากประตูของอบายนั่นเองเน้นการจะเข้าไปในอบายมันจึงง่ายกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ที่ประตูไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอบายยมุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอบายยมุกนี้ไม่ต้องเสี่ยงกับการไปทำบาปเหมือนกับคนที่เสพอบายยมุก เสพจุลาแล้วก็จะเสี่ยงต่อการทําบาปเล่นการพนันเมื่อเงินหมดก็ต้องไปเสี่ยงกับการไปขโมยเงินทองมาเล่นต่อไปลักทรัพย์อย่างนี้คือเรื่องของอบายมุกยังไม่เป็นตัวบาปแต่เป็นตัวที่จะทําให้ไปสู่การทําบาปได้อย่างง่ายดายต่อไปคําถามจากผู้ฝากถามนะครับบิดาป่วยอยากนิมนต์พระมาสวดตัดกรรมให้ได้ไหมคะไม่ได้แล้ว พ่อต้องสวดเองสวนเพื่อทําใจให้สงบใจสงบก็จะตัดกรรมตัดความทุกข์ได้ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อไปเป็นคําถามจากทาง youtube จากชาวต่างชาตินะครับเดอร์ลิง m ม่เมด t เทชัน I often feel myself lost sensation of my body Can you explain this event and what could it be Because the mind withdraw from the body, when you concentrate your mind on your meditation subject, you will pull the mind away from the body. So when you pull away the mind from the body, then the mind will cease to to to receive the sensation of the body, which mean s is t a good thing, it which mean s that you have uh, achieved result from your meditation practice. That's the goal of the practice. Is to pull the mind away from the body, so that the mind can become peaceful and calm, and not be disturbed by the the body. If the body should become painful, the pain will not disturb the mind. YouTube I hope you are listening. If you do, please send your please send your reply so we know that you are listening to us. Where are you from? เธอตอนี่โรมีโอ้โอ้ please reply if you are listening and tell us where you, where, where you are listening from อจากคุณกาลานะครับขอโอกาสพระอาจารย์แนะนําสัตว์เลขธรรมสัตว์เลขธรรมข้อสมทะสันโดษปีกวิเวคไม่คุกคี แต่ต้องทำงานอยู่ในสังคมแบบคาราวาชาวบ้านที่เหมาะสมด้วยครับความมักน้อยสันโดษก็คือให้เราอยากได้น้อยๆอย่าไปอยากได้มากเช่นเงินเดือนตอนนี้ก็อยากให้มันน้อยลงให้ให้เขาลดอย่าไปอยากให้ก็เพิ่มแล้วจะมีความสุขเพราะเขามักจะไม่เพิ่มให้เราอยู่แล้วเขามักจะลดนะถ้าเขาลดเราก็จะได้สมหวังเราก็จะมีความสุขในค า, าว่ามักน้อย เช่นตอนนี้ได้มากเกินไปแล้วอยากจะให้เขาลดซะหน่อ ย, อยเรียกว่ามากน้อยสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดเขาให้เดอนเท่าไหร่ก็พอใจเขาจะให้เท่านี้เท่านั้นก็โอเคไม่ไม่ว่าอะไรพอพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้ก็โอเคมันจะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องปัจจัยสี่คือเรามีความมากน้อยสันโดษเพราะ พออยู่ได้พอไม่ตายอาจจะอดอยากขาดแคลนบ้าง อ, อดมือ้อกินมือก็ไม่เป็นไรนี่คือสัญลักษณ์ของคนที่มีความมักน้อยสันโดษนะถ้าเราทํางานก็ให้เรามักน้อยในเงินเดือนก็แล้วกันอยากให้เขาลดแต่ไม่ต้องไปบอกเขานะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเขาลดให้จริงๆ <c oughs> แต่ก็อยากไว้ในใจอดีมักน้อยไว้ในใจก็ดีเผื่อเขาลดเขผื่อเขาขอตัดเพราะว่ากิจการมันกําลังจะไปไม่รอด ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละเนี้ยก็อาจจะต้องช่วยกันเพื่อประคับประคองให้บริษัทยอยู่ได้เพื่อเราจะได้ยังมีงานทําอยู่เราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความมักน้อยถ้าเรามีความมากมากแล้วก็โอ๊ยไม่อยู่แล้วบริษัทนี้ออกดีกว่าออกไปเดี๋ยวก็ไปหางานไม่ได้ก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่งั้นถ้ามีความมากน้อยก็อยู่กันไปเรื่อยๆได้มากบ้างได้น้อยบ้างก็ตามมีตามเกิดก็เรียกว่าสันโดษไป ยิน ด, ดีตามตามีตามเกิดก็สันโดษมากน้อยก็เกิด อ, อยากได้น้อยๆส่วนการคุกคีกันก็ทํางานแล้วก็ทําแต่คุกคีแต่เฉพาะเวลาช่วงที่เราทํางานเวลาทํางานต้องทํางานร่วมกับใครก็ทําไปแต่ไม่ต้องไปคุยกันไม่ต้องไปเล่นกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของกันไปถ้ามีความจําเป็นต้องคุยก็คุยในเรื่องงานเรื่องการไปอย่างนี้ก็ยังถือว่าไม่คุกคีกันคือคุกคีเท่าที่จําเป็นครับ พอเลิกงานก็แยกกันไปตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันไม่ต้องไปเลี้ยงฉลองไปเที่ยวไปเล่นกันต่ออย่างนั้นถึงจะเรียกว่าคุกคีกันเอถ้าคุกคีเพราะความจําเป็นก็ต้องทําไปก่อนถ้าเรายังมีหน้าที่ธรามะหากินอยู่แต่ถ้าเราเป็นพระหรือไปเป็นนักบวชนี่เราก็คุกคีเหมือนกันแต่คุกคีช่วงที่เราต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันเช่นมาการาดลานวัดมาทําความสะอาดกุฏิศาลา มาร่วมรับประทานอาหารกันแล้วก็มาร่วมกันคุกเียกันแต่เราก็จะไม่คุยกันแล้วก็ต่างคนต่างทำภาร ก, กิจของเราไปพอเสร็จกิจเราก็แยกทางกันไปกลับไปที่อยู่ของเราไปภาวนาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปอคุณโทนี่โรมิโอรีพายมานะครับว่ากําลังฟังอยู่จากลาสเวกัสเนวาดาอเมริกานะครับเมืองการพนันพอดีนะ <laughs> <S <S <laughs> do you แกร์โบ do not gamble the Lord Buddha say gamble is bad for you คำถามข้อต่อไปจากคุณชินยานะครับใจเราอยู่ทางธรรมแต่ยังติดทางโลกคือยังห่วงแม่และสามีจะทำอย่างไรคะก็ต้องพิจารณาความเป็นอนิจจังของสังขารร่างกายบ่อยๆว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาต้องพัดภาคจากการเป็นธรรมดา ถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะจากกันก่อนได้ถ้าเราไม่คิดเราก็คิดว่าเราจะอยู่กันไปนานๆฉะนั้นต้องพยายามคิดถึงเรื่องของความไม่เลีย่ยงแท้แน่นอนของสังขารอ น, นิจังเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันดังนั้นพัดพากเวลาไหนมันก็เหมือนกันแต่พัดพากตอนนี้เราจะได้มีเวลาไปทํำกิจที่เราควรจะกระทําก็คือไปเจริญมากกัน ถ้าเราไปภาคกันตอนที่มันสายไปไม่มีเวลามันก็จะมันก็จะเสียโอกาสไปคำถามจากคุณขวัญ น, นะครับการดื่มสุราเป็นประตูไปสู่ทางอบายแต่ถ้าผู้ดื่มมีสติในการดืม่มเพราะต้องเข้าสังคมต้องดื่มเป็นมารยาทแต่แน่ใจว่าไม่ไปทำผิดแน่นอนคือไม่ผิดสีลห้าหรือเปล่าเจ้าคะเพราะบางทีเราถือสีนเข้มออกับตัวเองแต่คนอื่นมองแปลก ก็เราซื้อศีลเพื่อตัวเราไม่ใช่เลยเราไม่ได้ซื้อศีลเพื่อให้คนอื่นเขามองเราว่าเรามีศีลก็ไม่มีศีลเมื่อเรามั่นใจว่าเราไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนอื่นเขาจะว่าเราผิดศีลก็ไม่เป็นไรผิดก็ผิดไปผิดศีลข้อห้านี้มันไม่ร้ายกาจเหมือนกับไปผิดศีลข้ออื่นคำถามจาคุณมัททานะครับเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราภาวนาได้ดี ก็ใจเราสงบมีความสุขมากขึ้นกิเลสตัณหาน้อยลงไปความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปเที่ยวอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นยมันจะเบาลงไปน้อยลงไปการอยากจะนั่งสมาธิการอยากจะปฏิบัติธรรมจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆคําถามจะคุณปอมนะครับถ้าใจจดจ่ออยู่กับการเล่นเกม แล้วไม่คิดสิ่งอื่นเลยจะเป็นการเจริญสติไหมคะไม่หรอกเพราะว่ามันยังคิดอยู่ไงเวลาเล่นเกมก็ต้องใช้ความคิดอความคิดมันก็จะเกิดตัณหาเล่นเกมก็อยากจะชนะเขาใช่ไหมอยากจะได้คะแนนสูงๆนี่มันก็เป็นกิเลสขึ้นมามันไม่สงบมันไม่เป็นสมาธิมันอาจจะเป็นสติแต่มันไม่เป็นสัมมาสติคือมันไม่ได้เป็นสติที่จะทําให้เกิดสมาธิความสงบ แต่เป็นสติที่ทำให้เกิดตัณหาความอยากพอเล่นเกมนี้จบก็อยากจะเล่นเกมนั้นต่อเล่นก็อยากจะชนะพอแพ้ก็เสียใจอันนี้เรียกว่าเป็นมิ ช, ชาสติไม่ใช่สัมมาสติถ้าสัมมาสติต้องไม่คิดอะไรให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นดูจอเกมไปแล้วไม่ไปคิดอะไรไม่ไปเล่นอะไรดูช่องดูแต่จอเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจนิ่งใจสงบ อย่างนี้ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาสติเพราะเราต้องการให้เกิดสมมาสมาธิก็คือให้ใจสงบให้ใจนิง่งคำถามชะคุณอนาปานะครับผมกำหนดภาวนาโดยกำหนดพุทโธไว้ที่ร่างกายว<ม>นไปทางร่างกายเช่นกำหนดไว้ที่หน้าไปลำตัวแขนไปขาเป็นต้นได้ไหมครับถ้าเราต้องการทำใจให้นิง่งให้สงบต้องกาหนดอยู่จุดเดียว อย่าให้จิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาถ้าจิตเคลื่อนจิตจะไม่มีวันนิง่งไม่มีวันสงบได้ดังนั้นถ้าจะดูลมก็ให้ดูที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องอย่างเดียวอย่าเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่าย้ายไปย้ายมาคำถามจากคุณชีวิตยังมีอยู่นะครับผมนั่งภาวนาเป็นภาษาจีนแต่ก่อนจะนั่งผมน้อมถึงพระพุทธเจ้าและอธิษฐานว่าขอพระองค์ โปรดชี้แนวทางให้ถูกต้องด้วยเถิดพอภาวนาไปสักพักลมหายใจดับและหูดับแล้วเกิดมีพระสงฆ์รูปงามมาบอกว่าอะหังพุทโธวันทามิแบบนี้เสียงที่ท่านพูดนั้นดังมากจนเราจําได้อย่างนี้เราปฏิบัติอย่างไรดีอย่าไปสนใจเพราะนั่นยังไม่ใช่เป็นสมาธิถ้าสมาธิจริงจะต้องว่างจะต้องสงบไม่มีอะไรมาปรากฏให้รับให้รู้ อะไอย่างที่มาประก่อนให้รับใหดูนี้อย่าไปสนใจมันเป็นของปลอมเป็นของหลอกคําถามจากคุณจงศรีนะครับยายของหนูเป็นอมภพึกหลายปีก่อนเสียชีวิตอาจเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หรือเปล่าคะคือยายชอบหากบหาเขียดและฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพ บ, บ่อยๆคะ่ะคือความตายนี้มันมีเหตุหลายเหตุด้วยกันเหตุสําคัญที่สุดก็คือการเกิด กิแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนะที่จะตายช้าตายเร็วตายง่ายตายยากตายแบบนั้นไปแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของบุญของกรรมละซึ่งมันเป็นเรื่องอจินไต่ที่เราไม่สามารถที่จะไปค้นหาสาเหตุได้เพราะมันคนแต่ละคนเรานี้ทําบุญทําบาปกันมาแบบโชคชนมาแบบมากมายไม่มีใครเก็บบัญชีไว้มันก็เลยจะมาว่าตายเพราะเห็นนั้นเห็นนี้มันยากแต่ไม่ต้องไปสนใจ ขอให้รู้ว่าเหตุสำคัญที่สุดของการตายก็คือการเกิดกันแล้วกันถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดถ้าไม่อยากจะเกิดก็ตัดตันหาความอยากให้หมดไปจากใจสบายนะใจเย็นครับคุณโทนี่บอกมาว่าไอโดนแกรมเบิลแอนิมแสดงว่าเคยเพราตอนนี้สองยาต้องอยู่ที่ลาสเวกาสนี่อ เขอเขาตอนนี้ยังคนที่นั่นคงยังไม่นอนนะเหมือนเมืองพัทยานะตีสองสองยามนี่ยังเพิ่งตื่อยังมัองตอนนี้คําถามหมดครับอาจารย์หมดแล้วเหรออ่มีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตกลับบ้านนะ <laughs> ช่อดมาถามต่อเรืย